มหาหลายปีมาแล้วไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนเจอท่านทีแรกตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลจุฬามเจอท่านครั้งแรกเลยท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วหมาถึงท่านบอกท่านสบายใจว่าพระศาสนาอยู่รอดได้มีคนสืบทอดคำสอนที่จะให้เจริญสติแล้วอะไเนี้ะ ไปได้แล้วสบายใจมีอาจารย์ประโมทมาสืบต่อไม่ว่างี้นะเราก็นึกอาจารย์ประโมทจะไปทำอะไรได้คนคนหนึ่งไปรักษาพระศาสนาไม่ได้จริงหรอกต้องชาวพุทธมช่วยกันรักษานะแต่มาถึงวันนี้ที่พวกเราอดทนเรียนกันมานะเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองโดยเฉพาะมาถึงขั้น เลวงพ่าก็สอนมาเป็นขั้นๆ น, นะค่อยๆประคองพวกเราเดินมาเป็นลําดับลําดับอย่างที่แรกสอนให้มีศีลมีธรรมอะไรอย่างนี้แล้มีศีลกลัามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกจิตจิตหลงไปแล้วรู้ไหมหลงไปแล้วรู้ไหมชอบถามเรื่อยๆนึกออกไหมเดี๋ยวนี้ไม่ถามแล้วนะว่าหลงไปแล้วรู้ไหม่วยแหลกเลย <laughs> หลงไปแล้วรู้ไหมจะได้อะไรได้จิตที่ตั้งมั่นไงพอจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเดี๋ยวนี้พูดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ทุกวันเลยนึกออกไหมพอเราพัฒนามาถึงจุดที่หัดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเราพบความอัศจรรย์ของธรรมะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่อัศจรรย์จ ร, ริจรงๆเลยมันเป็นไปได้ยังไงนะธาตุขันธ์เราแตกตัวออกไปได้กระจายออกไปด้วย ธาตุขันแต่ลานแต่ลานนอย่างรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์กุศลอกุศลทางจิตใจเนี่ยหรือตัวจิตเองก็เกิดเกิดดับดเราเห็นสภาวะได้นะเห็นธาตุขันเป็นแยกตัวไปแล้วแต่ละอันแต่ละอันไม่มีเราร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา สังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะเป็นกลางกลางไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแค่ธาตุขันเริ่มกระจายตัวออกเราเห็นว่าอัศจรรย์เลยเป็นไปได้ยังไง ความไม่มีตัวมีตนมันมีอยู่จริงๆความทุกข์นี่นะตกหล่นหายไปต่อหน้า ต, ตาเยอะเลยเยอะมากๆเลยยังเมื่อกี้ก็มีคนหนึ่งเข้าไปส่งกันบ้า น, น <_ S 2> บอกว่าธมมาารรมะน่าอัศจรย์จริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องวงเล็บนะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อพระลาลายแถวแล้ว <eton. S 1> ฟังครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าเ <_ S 1> พียงแต่เราขยันพูดเรื่องการเจริญสติ จะเลยสตินะแล้วก็ค่อยพัฒนามานจิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็มาดูธาตุขันธ์มันทำงานไปมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในเวทนามีสติรู้สึกอยู่ในจิตตสังขารความปรุงของจิตมีสติเห็นแต่สภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์มีเรามีเขาความทุกข์มันหายไป มันไม่มีเราเสียอย่างเดียวใครจะทุกข์ใครจะทุกข์ ก, ก็เรื่องของคนนั้นแต่มันไม่มีเราที่จะเป็นทุกข์อีกต่อไปนี่เราฝึกนะพวกเราได้เห็นธรรมะมาถึงขนาดนี้จํานวนมากแล้วขนาดยังไม่ได้มักได้ผลนะขนาดยังไม่ได้มักได้ผลนะยังอัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าขนาดนี้เลยนะแล้วต่อไปจะได้มักผลไหมได้ได้นะ เพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนเจริญสติปัฏฐานอยู่สติปัฏฐานคือมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สังขาร น, นั่นเองจิตตสังขารรู้สภาวธรรมไปตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติอย่างนี้อยู่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การที่พวกเราหันแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยนี่คือจุดตั้งต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา ถ้าจะเจริญปัญญาแต่ไม่แยกธาตุแยกขันธ์ใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะปัญญาขั้นที่หนึ่งใ น, ในภาคปริยัติบอกว้ปัญญาขั้นแรกเลยนะในวิปัสนาในโสรถยานยาน1 6ตัวที่หนึ่งเลยเรียกนามรูปปริเฉทยานการแยกรูปนามนั่นเองแยกกายแยกใจออกจากกันให้ได้ถ้านะแยกไม่ได้อย่ามาคุยเรื่องวิปัสนาเลยมันเปตรงกับที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานบอกนะ อารมหาบัวพูดเลยว่าถ้าไม่พิจนายักท่าแยกขันเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกไอ้ที่คิดว่านั่งสมาธินั่งนั่งนั่งไปแล้วจะเกิดปัญญานะไม่มีวันเกิดเลยนะเกิดไม่ได้หรอกปัญญาไม่ได้เกิดจากการไปนั่งสมาธิให้จิตสงบหรอกปัญญาเกิดจากสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นสงบกับตั้งนมั่นนะันไม่เหมือนกันเงันพวกเรานะต้องเรียนให้ชัดเจนนะสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่น สมาธิสงบหมายถึงว่าจ ah ิตเนี้ยแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่สซ่านไปในอารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตก็สงบสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวชื่อว่าอารามณูปนิชฌานอารามณูปนิชฌานใช้ทําสมถกรรมฐานอย่างเราพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปจากพุทโธนะจิตสงบนี่มีอารามณูปนิชฌานเราหายใจเข้าหายใจออกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจเราดูท้องพองยุบจิตสงบอยู่กับท้อง เราขยับมือทําจังหวะอย่างหลงพ่อเทียนจิตสงบอยู่กับมืออะไรเงี้ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นแหละเป็นสมถะกรรมฐานเป็นอารามณูปนิชฌานอันนี้ทําง่ายไม่ยากหรอกไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็ทํากันมาได้ตลอดนหรือไปดูจิตดูใจนะไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเอาจิตนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของจิตเอาจิตไปดูจิตนะไปจ้องอยู่ที่จิตอันเดียวไม่ให้ไปไหนเลยประคองอยู่ที่จิตอย่างเดียวเลย อันนี้ก็คืออารามณูปนิชานเพ่งอารมณ์คือเพ่งตัวจิตอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะค่อยๆหัดแยก2ตัวนี้ออกให้ได้ถ้ายยกไม่เป็นนะจิตกับอารมณ์มันไหลไปรวมอยู่ด้วยกันนิ่งๆอยู่ที่เดียวกันไม่ไปไหนเลยอันนั้นคือสมถกรรมฐานเรียกว่าอารามณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวหลวงพ่อไม่ได้สอนแค่นั้นไอ้นี่ง่ายเกินหลวงพ่อสอนขยบขึ้นมาอีกนะ เมื่อจิตสงบแล้วต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะได้เห็นไตร ล, ลักษณ์ของาธาตุของขันจิต ท, ที่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของาธาตุของขันนั้นมีสมาธิที่เรื่องว่าลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์นั่นเองจิต ท, ที่จะทําลักขณูปนิชฌานได้ต้องตั้งมั่นไม่ใช่สงบแต่ถามว่ามันต่างกันยังไงสงบเนี่ยจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องตั้งมั่นเนี่ยนะอารมณ์มีสารพัดอารมณ์เลย แต่จิตไม่แกว่งตามอารมณ์ไปจิตแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านหน้าไปเหมือนเห็นปรากฏการของรูปธรรมนมามธรรมเกินดับหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ถลำลงไปรู้ไม่กระโจนลงไปรู้ไม่ลงไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์และจิตไหลลงไปแช่ในตัวอารมณ์นะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอา ร, มอ า, รามณูปนิชนันจิตแยกตัวออกมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์นะ มีสมาธิช on ื you know it. It like so ่อลักขณูปนิชฌานจะเห็นในอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วไปการที่เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับเนี่ยเห็นอนิจจังเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วต้องไปแน่นอนนะทนอยู่ไม่ได้นานๆเห็นทุกขังอารมณ์จะมาหรืออารมณ์จะไปสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นะอยากได้อารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มาอารมณ์อย่างนี้มาอยากให้มันไปเร็วๆมันก็ไม่ไปบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะนี่เรียกว่าอนัตตา เพราะฉะนถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนัเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยความแจกหักมันอยู่ที่ว่าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือไม่สมัยก่อนลงหอไปเข้าหาครูบาอาจารย์ไปเรียนมานะเมื่อสัก30ปีก่อนเข้าวัดไหนวัดไหนแล้วท่านพูดอยู่เรื่องเดียวเรื่องจิตผู้รู้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นมาหลังๆนี่มาพูดแต่เรื่องนิมิตนะ แต่ตอนนี้ชักจะสาแลระไรสาระแล้วโทรเราอ่ะนิมิตมาตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ไร้สาระจริงๆค่ากิเลสไม่ตายยิ่งนิมิตเยอะกิเลสยิ่งเยอะนยิ่งเห็นเทวดากูเก่งนกูเก่งอะไรไปเที่ยวสวรรค์แป๊บเดียวเขาก็ไล่คืนมาแล้วอยู่กับเขาได้ที่ไหนอ่ ะ, ะเห็นวิมานไปนอนในวิมานเขาได้ที่ไหนอของใครของมันอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา เราฝึกนะให้จิตของเราตั้งม so ั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะไม่เผลอไปแล้วไม่เพ่งเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอไม่เพ่งก็คือฝึกให้เรามีจิตชนิดนี้ขึ้นมานั่นเองจิตที่เผลอไปนั่นะเวลาไปรู้ลมหายใจเผลอไปอยู่กับลมหายใจนะเป็นอารมณูปนิชฌานจิตที่ดูท้องพองยุบแล้วเผลอไปอยู่ที่ท้องนั่นแหละเป็นอารมณูปนิชฌานเป็นจิตที่เพ่งอารมณ์เดินจงกรมจิตไปอยู่กับเท้าเนี้ย จิตไหลไปนิ่งอยู่ที่เดียวไปอยู่ในอารมณ์เดียวนี่คือสมถะกรรมฐานทั้งหมดเลยนะต้องมีจิตเป็นคนดูเมื่อมีจิตเป็นคนดูแบบไม่มีอคติไม่มีส่วนได้เสียมันจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเป็นแค่ปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมไาหลผ่านหน้าเราไปเฉยๆยไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเหมือนเราอยู่บนอัธจรรันทร์เห็นนักฟุตบอล2ฝ่ายวิ่งไปวิ่งมาไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะแต่ดูต้องไม่มีไบเอชส่วนมากเราดูบอลแล้วก็เชียร์ใช่ไหม เข้าข้างน้นเข้าข้างนี้แต่ว่าถ้าจะเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นคนดูที่ไม่มีอคติไม่รักข้างไหนไม่เกลียดข้างไหนไม่ใช่รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วไม่ใช่ทุกอย่างเสมอกันหมดเลยแล้วทุกอย่างนั้นแหละจะแสดงปรากฏการแสดงความจริงให้ดูทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาแสดงความจริงให้ดูว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับใจเราเป็นคนดูอย่างสบาย เคยได้ยินคําว่าธรรมะวิจัยไหมธรรมะวิจยะธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยะทําตัวเป็นนักวิจัยจริงๆนักวิจัยต้องไม่มีอคติวิจัยธรรมะธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมนี้รู้ลงไปในรูปธรรมนามธรรมแบบไม่มีอคติรู้อย่างที่มันเป็นเรื่อยไปถึงจะแยกแยะออกโอรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับนามธรรมเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าการเดินปัญญาการทํำวิปัสสนาะ เห็นจริงเลยรู้เลยตัวเราไม่มีปัญญาเกิดขึ้นรู้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเมื่อทุกสิ่งเกิดแล้วดับได้ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรการที่ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยละสักยัติทิฏฐิได้ศาสนาพุทธเกิดมาในสังคมของพราหมณ์ไม่ใช่ฮินดูนะฮินดูเกิดทีหลังศาสนาพุทธเกิดในสังคมของพราหมณ์สอนเรื่องอาตมันสอนเรื่องตัวตนที่อมตะมีตัวตนที่อมตะไม่ตาย ร่างกายตายแล้วตัวตนที่อมตะคือจิตวิญญาณเนี่ยไปเกิดได้อีกแลพระพุทธเจ้าปฏิเสธทฤษฎีอย่างนี้ท่านสอนให้เราเห็นกระทั่งว่าจิตเองก็เกิดดับเมื่อจิตก็เกิดดับนะแสดงว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรข้ามภพข้ามชาติไปได้หรอกไม่มีหรอกแต่การข้ามภพข้ามชาติมีคือจิตนี่แหละเกิดดับสืบเนื่องข้ามภพข้ามชาติไปไม่ใช่จิตดวงเดิม ไม่ใช่พอเราตายแล้วก็จิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นะไม่ใช่อันนั้นเป็นทฤษฎีของพราหมณ์นะั้นจิตเองก็เกิดดับพระพุทธเจ้าสอนนะจิตมีกายเป็นเหมือนคูหาเหมือนถ้ำนะกายนี้เหมือนครูหาเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่นะจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่สอนอย่างนี้นะบางคนมันโจมตีหลวงพ่อนะพระด้วยซ้ำไปบอกจิตเที่ยงจิตเที่ยงไม่ใช่ศาสนาพุทธ เราเรียนให้ดีนะไม่งั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาดื้อเลยเรามาเฝ้ารู้ของจริงเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจริงไม่จริงจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจริงหรือไม่จริงเห็นไหมจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่โกรธเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับจริงหรือไมจ่จริงดูของจริงอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราจะไม่ปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านสอนถูกต้องท่งานสอนจริง คำสอนของท่านมีประโยชน์คำสอนของท่านอัศจรรย์สอนจนเราเห็นจิตเกิดดับได้ไดเห็นสภาวะทั้งหลายกระจายตัวออกไปแล้วไม่มีตัวเราสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะไม่มีตัวเราถาวร อ, อัศจรรย์ที่สุดเลยรู้อย่างนี้ก็มีประโยชน์อีกคือไม่ทุกข์ความทุกข์จะตกหายไปเรื่อยเมื่อมันไม่มีตัวเราเป็นที่รองรับความทุกข์แล้วความทุกข์ที่อย่อยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ธาตุที่ขันเกิดดับไปกับธาตุกับขันไม่ให้เกี่ยวอะไรกับเราไม่มีตัวเรา เรื่อความอัศจรรย์ของธรรมะนะภาวนาไปเรื่อยเห็นความจริงเป็นลําดับลําดับไปนั่นจะพ้นจากทุกข์เป็นลําดับลําดับไปเราจะรักพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์รักที่สุดไม่ต้องไปตั้งชมลมรักศาสน า, าพุทธเลยเลยนะมันไม่รักจริงหรอกถ้ารักศาสนาพูทธต้องภาวนาต้องภาวนานะเอาธรรมะมาสู่หัวใจเราให้ได้เลยเราจะรู้เลยว่าเรารักพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตได้เลยเราจะอัศจรรย์ในพระธรรม เรารักเราเคารพพระพุทธเจ้าเราอัศจรรย์ในพระธรรมเรารู้ความจริงว่าพระสงฆ์มีจริงพระสงฆ์มีจริงเพราะอะไรพระจิตของเราเองนี่แหละจะเป็นพระสงฆ์นะเป็นพวกเราค่อยฝึกนะเราจะได้ริมรถธรรมะเราจะได้สืบทอดศาสนาพุทธไปยิ่งหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าโอ้ศา ส, สนาพุทธไปได้แล้วมีหลวงพ่อประโมทหลวงพ่อประโมทคนเดียวไปไม่ได้หรอกต้องพวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนมีความสําคัญ เราทุกคนมีภาระหน้าที่ในฐานะของเราเป็นชาวพุทธภาระหน้าที่แรกเรียนให้รู้เรื่องเรียนจากภาคปริยัติคือจากการฟังครูบาอาจารย์การอ่านตำรับตำราเรียนจากภาคปฏิบัติคือดูของจริงดูธาตุดูขันเขาทํางานจริงๆนะให้ถูกต้องหลักเกณฑ์ดูของจริงนะจนธรรมมเข้ามาสู่ใจของเราคราว น, นี้เรามีหน้าที่บอกต่อนะมีหน้าที่ประกาศธรรมมสืบทอดธรรมมรักษาธรรมมาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้รับประโยชน์ เหมือนที่คนรุ่นก่อนได้เสียสละรักษาธรรมะจนตกมาถึงมือพวกเราอย่าให้มันสูญหายไปในมือพวกเราก็แล้วกันนะให้มันหายในมือคนรุ่นต่อไปยังไม่เป็นไรอย่าให้มันมาหายในมือพวกเรานะมันจะเป็นลูกอากตันยูรักษาสมบัติของพ่อขอ ง, อของแม่ไว้ไม่ได้นะ น, นต้องทานะต้องภาวนามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะก่อนจะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางได้ต้องรักษาศีห้า ต้องฝึกจิตให้สงบต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่น2องอันนะฝึกให้สงบคือรู้จักให้จิตได้พักผ่อนในอารมณ์เดียวจิตจะมีแรงถ้าจิตไม่ได้พักผ่อนเลยวิ่งพล่านๆตลอดเวลาไม่มีแรงนั้นสมถะก็ทําทําเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงถัดจากนั้นมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายสุกร่างกายทุกจิตเป็นคนดู นนเห็นจิตใจสุขียตใจทุกขจิตใจเฉย ๆ, ๆนะมีจิตเป็นคนดูเห็นกุศล อ, อกุศลทั้งหลายเกิดดับนะเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไป เ, เรื่อยแลวก็จะแจ้งขึ้นมาทุกอย่างเกิดแล้วดับนะฝึกไปนะทุกคนมีหน้าที่นะเรียนหลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วนะหลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วคือบอกต่อพวกเรามีหน้าที่เรียนนะแล้วบอกต่อ อย่าให้มันสิ้นสุดลงในยุค ข, ของเรานะอับอายขายหน้าบันผชนรัชกาลที่ห้านะตอนท่านรอศรร้ยสิบสองเสียดินแดนนะท่านชอกช้ำ ม, มากเลยท่านไม่สงน้ำไม่สเสวยนะซ่อนตัวอยู่ท่านอยากจะตายท่านบอกท่านอับอายบันผชนมากเลยนะ ท่านกลัวว่าท่านจะรักษาเอกราชของชาติไม่ได้สมัยนั้นยังไม่มีคําว่าเอกราชท่านใช้คําว่าเกรงเป็นทวิราชบ่ออาจป้องอยุธยานะเกรงเป็นทวิราชมีราชาสองคนคือไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่เอกราชสมัยนั้นยังไม่มีคําว่าเอกราชก็เลยกลัวทวิราชนะหมายถึงว่าท่านกลัวมากเลยว่าแผ่นดินจะมาเสียอยู่ในยุค ข, ของท่าน บันพชนรักษามาพวกเราก็ต้องกลัวนะอย่าให้ศาสนาพุทธมาล่มสลายลงในยุค ข, ของพวกเรานะต้องรักษาเอาไว้เพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานของเราข้างหน้านะศาสนาพุทธไม่ได้แข็งแรงอย่างที่พวกเราคิดหรอกศาสนาพุทธโดยตัวของตัวเองแข็งแรงไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะยากที่จะเข้าใจเเป็นศาสนาที่ฟื้นความรู้สึกที่สุดเลยคนทั้งหลายไม่อยากฟึ่งตัวเองศาสนาพุทธสอนให้ฟึ่งตัวเอง คนทั้งหลายเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์ศาสนาพุทธสอนให้รู้ทุกข์นะงั้นโดยเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของคนที่มีสติมีปัญญาจริงๆเท่านั้นเป็นคนส่วนน้อยนะสะสังเกตไหมศาสนาพุทธจริ ง, รงๆเหลือนิดเดียวนี่เหลืออยู่กี่ประเทศที่เป็นพุทธแบบที่ซื่อตรงมาตามคําสอนดั้งเดิมเหลืออยู่ที่ลังกาใช่ไหมที่พมา่าที่เมืองไทย แล้วว่าเมืองไทยเยอะมีเจ็ดสิบล้านถามว่าชาวพุทธมีกี่คนชาวพุทธถ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบัติทำเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเท่านั้นเองมีจํานว น, านนิดเดียวนะเพราั้นเราอย่าประมาณนะมันจะอาจจะสูญในมือพวกเรานี่แหละพวกเราต้องศึกษานะหลวงพ่อฝากธรรมะไว้กับพวกเรานี่แหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้อุทานแบบหลวงพ่อคําเขียนวนะ่าโอ้ศาสนาอยู่ได้แล้ว มีคนช่วยกันรักษาทั้งหลายคนเนี่ยเออเอา้าวต่อไปตรวจกันบ้านเชิญสการหลวงพ่อคะ่ะเออก็ไดออ้พยายามอ่านหนังสือแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อสอนนะคะทำทำทำไปก็บางทีเอ๊ะตัวองคฉันใช้ดูกายหรือดูใจกันแน่แต่เวลาทำ <c oughs> ไปจริงเดี๋ยวมันก็เห็นกายเดี๋ยวมันก็เห็นใจ คือการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นเอาอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ก่อนเอากายหรือเอาเวทนาหรือเอาจิตก็ได้เอาอย่างเดียวเป็นเครื่องอยู่นะแต่พอภาวนาเป็นมันแยกรูปแยกนามได้เดี๋ยวก็รู้รูปเดี๋ยวก็รู้นามเพราะงั้นถึงขั้นเจริญปัญญาที่แท้จริงไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วสายสายทั้งหลายนั้นเป็นแค่ตอนจุดสตาร์ทเท่านั้นเพื่อหัดให้มีสติเท่านั้นเองก็มีสติแล้วไม่มีแล้วสายกายสายจิต ก็พยายามจะทำต่อไปแต่ไม่แน่ใจว่าอของ <ทำ S 2> ยมไปดูนะันเดียวว่าจิตหลงไปแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยะนะครับุญสกาหลวงพ่อครับช่วงนี้ผมค่อนข้างจะสับสน ừ, ก็ยังไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนเรื่องตัวผู้รู้ยังตั้งขึ้นมาไม่ได้เอาอย่อย่าไปพยายามตั้งมันนะ ยมเอาแค่ว่าหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นสดๆดร้อนๆต่อหน้าต่ตาฝึกตัวนี้เรื่อยเลยสุดท้ายจะจับไอ้คนที่ดูขึ้นมาได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็แค่รู้ความโลภเกิดขึ้นก็แค่รู้นี是是่ไหมความโกรธเกิดแล้วก็หายไปความโลภเกิดแล้วหายความหลงเกิดแล้วหายสุดท้ายจะจับตัวร่วมของปรากฏการขึ้นได้เองเวลาโกวดก็จิตก็เป็นคนรู้ใช่ไหมตัวรู้มันมีอยู่เวลาโลบก็มีตัวรู้ สุดท้ายจะได้ตัวตัวร่วมขึ้นมาคล้ายๆหาอะไรนะคละอโมหอคลอโมเลยสมัยโบราณนอะ่ะไ ม, ม, ม่มีตัวร่วมอยู่ลืมไปละ <c oughs> งั้นเราหัดรู้สภาวะทีละอันทีละอัน น, นี่แนละงั้ยสภาวะทั้งหมดเป็นของถูกรู้ถูกดูนะสุดท้ายมันจะได้ตัวรู้ขึ้นมาก็คงกลับมาทําเหมือนเริ่มต้นเริ่มต้นครันะการภาวนาการทํำมิปัสนาเนี้เราใช้ระบบดิจิตอล ศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นเองนะคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีเท่านี้เองไม่มีอย่างอื่นหนะรอกนั้นการภาวนาเนี่ยเริ่มต้นใหม่ทุกวันสดๆร้อนๆทุกวันนะขอบคุณครับก็เหมือนเดิมเจ้าค่ะคือสงบเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุงซ่านไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหยจิตไม่เหมือนเดิมเม่เกิดในช่วงที่ผ่านมานี้จิตเปลี่ยนไปแล้วก็ <G ül s> รู้สึกไ <G ül s> ม่โลกห่างออกไป จ้าค่ะก็รู้สึกได้บ้างจ้าโลกมันเริ่มไกลออกไปแล้วนะใครๆฝึกโลกห่างออกไปก็คือทุกห่างออกไปแต่เราไม่ได้เกลียดทุกตัวทุกบางครั้งก็เข้ามาสัมผัสกันบางครั้งก็แยกออกจากกันนะก็เรียนรู้ไปด้วยในี่สุดจิตมันมีปัญญามันรู้เลยว่าความทุกข์เข้ามาได้เพราะจิตเข้าไปยึดมาที่จิตเข้าไปยึดเอากองทุกมายึดเอาขันมาเพราะว่าไม่มีปัญญารู้แจ้งว่ามันตัวทุก เราก็จับทีไรล้วก็ทุกขึ้นมารู้สึกไหมตอนจิตเข้าไปยึดอารมณ์แล้วทุกทุกทีเลยรู้สึกไหมในสุดปัญญามันจะปิง๊งเลยนี่มันทุกนะนี่มันตัวทุกนะไปหยิบขึ้นมาทีไรก็ทุกทุกทีจิตก็ไม่ไปหยิบไปช่วยขึ้นมาอีกนะอย่างตอนเนี้มันยังไม่รู้จริงมันหยิบบ้างปล่อยบ้างหยิบบ้างปล่อยบ้างนะก็เรียนไปจนกระทั่งปัญญามันปิง๊งขึ้นมายึดทีไรก็ทุกทุกทีไปมันวางของมันเองแหละเจ้าค่ะอ่ะต่อไป การน้ำพศสการหลวงพ่อค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณหลวงพ่อนะคะขอบคุณมารีศูนย์ทาระพศไม่ต้องส่งกันบ้านก็จะพยายามตั้งใจนะเออแหมส่งกันบ้านอย่างนี้หลวงพ่อมีอะไรเพลิดเพลินสูตรตามสูตรเลยขอบคุณพยายามตั้งใจมีอะไรจะแนะไหมเอางี้หนู เดี๋ยวครรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะเกิด ไ, ไปเถอะดี <c oughs> ความรู้สึกอย่างความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้อะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรที่ถามมาแบบนี้ยตื่นเต้นจับไมลลืมหมดเลยที่เตรียมเจมไว้อ่ะตื่นเต้น <c oughs> ตั้องครรู้ความรู้สึกของเราไปนะและชีวิตเราจะดีขึ้น <c oughs> อ้าวในยนิตผู้ชารา ยังกลัวผีอยู่เลยค่ะจะเป็นผีอยู่วันยังค่ำแล้วกลัวผีอีกหลวงพ่อว่าอย่างนี้นะผีเจอในยานิดผีวิ่งอ่ะอคิดอย่างงั้นเพียงแค่ต่างคนต่างวิ่งอ่ะแต่เมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นนะคะแล้วก็มองไปที่กายเนี่ยมันเห็นอาการไหวไหวๆนะคะนะดูไปดูไปเฉยๆนะคะนะมันเดียอย่างนั้นแหละแต่นิสเคยเห็นแบบว่า จริงๆแล้วมันแบกขันอยู่มันหนักอะค่ะอืแล้วมันก็พยายามจะหาทางวางมันวางไม่ได้มันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของตัวขันที่เรามาทํำวิปัสสนานะเพื่อให้เห็นว่าขันเป็นของไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงไร้สาระเพราะเป็นทุกข์ไร้สาระเพราะเป็นอนัตตาสิตเห็นแล้วก็วางเองในยนิตจงใจวางไม่ได้ค่ะดูดูน้ําหนักมันได้ไหมคะได้น้ําหนักก็ไม่เที่ยงค่ะอ๋อ พอวิลาพ่อคะ่ะวิลาซีนีแปล่แมวผู้หญิง <c oughs> ใช่ไหมวิลาอ่ะเมื่อวานปฏิบัติด้วยความเลิดเพลินมากเลยค่ะเดิน<ม>จงกรมก็สนุกกลางคืนมาก็เดินใต้แสงดาวอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วพอแต่มันพลิกพลิกแบบน่ากลัวมากเลยค่ะตอนที่ฝันฝันฝันแบบฝันโฮดอะคะ่ะ<ม>เป็นหัวตัวเองวางอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ไปส่องกระจกแล้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยตื่นขึ้นมาก็ ตกใจแต่ไม่กล้าร้องเพราะว่าอยู่นคนเดียวอกืก็ก็เอ้เมื่อคืนคืนก่อนวันสิ้นปีอะค่ะก็สวดทำมาจากก่อนก่อนจะนอนนะคะก็เลยงั้นง้นคืนนี้สวดให้อีกรอบก็ได้จะได้นอนดีๆอืแล้วก็เมื่อเช้าก็เลยเดินจง ก, กรมต่อก็ก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังกลัวอยู่อะค่ะหลวงพอ่อคือทําไมตอนเช้ายังดีๆอยู่แล้วตอนกลางคืนมันพลิกไปฝันอย่างนั้นได้อะคะเนี่ยมันของไม่เที่ยงหรอก ดีจิตใต้สำนึกก็ทํางานไปบางทีพลังข้างนอกก็เข้ามาขอส่วนบุญ ส, ส่วนกุศลอะไรเงี้ยแต่ไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะไม่มีผลนะะทุกอย่างเกิดเราดับหนูต้องเดินยังไงต่อคะสําหรับปีนี้อ ะ, ะ่ะดูไปเรื่อยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป ไ, ไม่มีอย่างอื่นแล้วอ๋อฝึกได้ดีแล้วรู้สึกเปะหนูหนูก็ว่าหนูโตขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ<ม>เพราะว่าแก่ขึ้นด้วย <c oughs> นี่โตเพรกินข้าวเท่าเพอะอยู่นานนู้เปล่าค่ะเรื่องเรื่องภาวนาก็คิดว่าตัวเองก็อดชมาเยอะก็ต้องนะดีขึ้นเยอะแล้วสังเกตไหมใจมันเป็นผู้ใหญ่ละดีมันไม่ใช่เด็กเดินใต้แสงดาวแล้วโลมันติกแล้วไม่ใช่นะเห็นแต่ทุกเห็นแต่โทษเนาะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะฝึกไปนะธาตุขันมันแยกๆตัวไปหมดแล้วให้รู้ไปก็จะเห็นแต่เกิดแล้วก็ดับ ถึงจุดที่ใจมันพร้อมก็พอแหละตอนนี้มันก็แค่ทําแต้มไปสะสมคะแนนทุกวันทุกวันใจมันก็สะสมความรู้ไปเลยถึงจุดที่มันพร้อมก็วางอ้อดูออกไหมขันก็ส่วนขันจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวอะไรกันบางทีมันก็แยกเองโดยที่ไม่รู้ว่ามันแยกค่ะหลวงพอง่อนั่นแหละใครฝึกอา้าวใครมาจากที่ไกลๆบ้างไกลๆเลยนะ มาจากไหนมาสาสิบปดที่ไหนนะอุบลเออไกลช่วงนี้มันมีความสุขมากอะค่ะแล้วมันก็ลัลลาค่ะเออให้รู้ทันอย่าไปลันลามีความสุขได้นะอย่างเราทําบุญทํากุศลไปอะไรเนี้ยกุศลให้ผลจิตมีความสุขได้นะถ้าจิตมีความสุขแล้วเรายินดีพอใจเราจะไม่ไปต่อให้รู้ทันจิตที่พอใจในความสุขจําได้ไหม รู้ทันจิต ท, ที่พอใจในความสุขนะมันจะผ่านไปได้เอาใครอยู่ไกลๆอีกมาจากไหน 77. เ7็สิบเจ็ด้ใครเหมือนกันอ่ะบนแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดมาจากไหนอะไรนะเออไกลไกลกว่า <laughs> นี้ก็ไม่รู้จะไปไหนละ <laughs> เอาขอนแก่นแล้วไปอเมริกากตื่นเต้นครับตอนนี้ครับก็เท่าที่ดูมาตอนนี้นี่ เวลาใจไปไปสัมผัสกับอกุศลครับแล้วก็มองเห็นกิเลส ข, ของตัวเองครับแล้วก็ดูซอน ล, ลองไปเห็นมานะอัตตาตัวเองอดีนะครับชังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปแล้วครับงเกตไหมมันโปร่งโล่งเบาครับรู้ไหมมันหนักขึ้นมาเพราะเข้าไปหยิบไปช่วยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้ครับเพราะมันยังตื่นเต้นอยู่นะอยู่ไปรู้เรครับนะที่ฝึกอยู่ถูกต้องอ่าจุดที่ระวังมีอันนึงนะ รู้รู้ไปบางทีใจใกระจายไม่ตั้งมั่นาจกว้างๆออกไปครับคอยระวังตัวนี้ไว้เท่านั้นแหละผมต้องทําสมถะเพิ่มเลยทำสมถะไม่ริงๆจุดนี้ต้านทําละวแต่ตอนนี้ถือว่าไปได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ได้อยู่แต่ว่าต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะครับถ้าฝึกเช่นทำภาวนาไปพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยต้องซ้อมอะ่ะซ้อมเรื่อยจิตจะได้เข้าฐานเต็มที่อันนี้จิตมีความสุขมากไปแล้วกว้างๆ ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากครับนั่นแหละนั่นแหละภาว น, นามาถึงจุดที่มันสบายจุดที่สบายเนี่ยไม่ค่อยยอมไปต่ อ, อนะครูบาอาจารย์เนี่ยเขี้ยวเข็นเปรียบนะเปรียบไม่ได้ว่าพวกเรานะเหมือนวัวเหมือนไกว์ <c oughs> <c oughs> นะเจ้าของต้อนไปนะไปเจอปลักเจออะไรนะมันลงไปแช่แล้วไม่ยอมไปต่อก็ต้องคอยไล่เอานะอสบายแล้วนะอย่าเป็นไฟจมปลักนะครับเออสู้เอานะ เอาอเมริกาอยากถามนะคะคือมีความรู้สึกว่ายกใหม่สูงนิดนึงเข้าใจเข้าใจว่าตัวทนไม่มีถาวรใช่ไหมคะใช่ตรงนั้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันมันก็ยังไม่ถาวรอยู่ใช่ไหมคะใช่มันไม่มีการไม่มันมันเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปใช่ไหมคะใช่คือมันมันจะทิ้งขันไปนะทิ้งขันไปแล้วมันจะไปเจอสภาวะอีกชนิดหนึ่ง เป็นสภาวะที่ไม่แปรปลวนนะบางทีครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าธรรมธาตุนะสิ้นโลกคือสิ้นขันแล้วเหลือธรรมอยู่ตัวนี้ไม่แปรพลวนหรอกแล้วมันไม่แปร ป, ปนหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่ามันก็หมายความว่ามันเที่ยยมมันเที่ยงมมันเที่ยมมันเที่ยงมันเป็นสุขแต่ไม่มีเจ้าของรักภาวนาไปเรื่อยๆนะอย่าไปเครียดมากนะ ทานาให้มันมีความสุขเอาใครอยู่ไกลๆอีกมาจากไหนอัปเปอร์แปดนักิเอาไว้ก่อนยี่สิบสองอ่ะมาจากไหนเอออังกฤษไกลอะให้อังกฤษหนะอไม่ใช่อะไรสงสารก็อยู่ไกลไกลนะหลายๆปีมาได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนมัสการหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อเขาที่แล้ววันที่สองมกราปีที่แล้วค่ะเออที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดู ความคิดที่จะทําให้เชื่อมันในตัวเองอืก็ไปดูมาบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเซลล์จัดไหมเดี๋ยวนี่ดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกไหมมันโปร่งขึ้นค่ะเอกิเลสมันทําให้เราอึดอัดนะถ้าเรารู้ทันนะใจเราเปลี่ยนค่ะทีนี้ก็เลยไปดูความคิดด้วยแต่พอดีว่าต้องทําวิจัยอะค่ะแล้วมันใช้ความคิดในการคนละเรื่องนะเวลาทํางานเนี่ยจดจ่อกับการคิดไปหมดเวลาทํางานแล้วค่อยมารู้เอา อย่าไปปนกันนะเดี๋ยวไม่จบก็แสดงว่าต้องแบ่งเวลาใช่ไหมคะใช่นะเวลาใดเป็นเวลาเรียนเวลาทำงานทำวิจัยตั้งใจทำงานไปคนละเรื่องกันนะเวลาที่เหลือนะมีสติเอาต่อไปทั่วๆไปก็ได้ไม่ต้องไกลละไม่งั้นคนอยู่ใกล้ก็เสียใจเบอร์สิบครับส่งกันบ้านในรอบหลายเดือนครับ จิตก็ไม่เหมือนเดิมเนาะครับพ่ทำไมหลวงพ่อรู้ว่าจิตไม่เหมือนเดิมเพราะจิตไม่เที่ยงอ้ว่าไปก็ที่ผ่านมาก็เห็นกิเลส ต, ตัวเองเยอะมากครับเหมือนช่วงแรกๆนี่มันมันจะยอมรับไม่ค่อยได้ว่าเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอมันเห็นแบบว่าไม่ว่ากุศลหรือว่าอกุศลที่มันก็เกิดดับหมดเนี้ยช่มันก็เริ่มไม่ดีก็ได้มันเหมือนยอมรับตัวเองได้มากขึ้นบบ ใจมันก็พอมันยอมรับได้นะใจมันก็ถูกน้อยลงเพราะมันดิ้นน้อยลงรู้สึกไหมความทุกข์ทางใจนะเกิดจากใจมันดิ้นใจมันหิวใจมันไม่ยอมรับความจริงที่กําลังเป็นอยู่มันอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็ดิ้นความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นถ้าใจเรายอมรับความจริงในสภาวะสาอหน้าต่อตานี้ได้ใจก็ไม่อยากไม่ดิ้นใจก็มีความสุข ดูออกไหมใจมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาครับผมดีฝึกต่อไปนะทำให้สม่าเสมอนะต้องได้อะไรดีๆบ้างแหละฝึกไปเบอร์8ปนอนคนรังสิตละละอายใจยนกันนะคะเห็นเขาปฏิบัติกันหนูไม่ค่อยปฏิบัติอยู่เขาค่ะไม่เราฟังคนอื่นเราไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติแบบของเราเพราะว่าปฏิบัติอย่างของเขาไม่เหมือนกัน แล้วก็เวลาหนูเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาหนูก็จะหาสาเหตุว่าอ๋อมันมีสาเหตุมาจากกันนี้หาเหตุห า, หาผลอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันถ้าตอบอย่างของหลวงพ่อน ะ, ะไม่เกี่ยวกับคนอื่นน ะ, ะเราจะไม่หาก็คือแค่ดูเพราะ<ช>เราจะต้องการเรียนให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราต้องการแค่นี้เองเราไม่ได้ต้องการอย่างอื่นหรอกส่วนการเห็นเหตุว่าอันนี้เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรมันเห็นเองถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเองนะ งั้นทีแรกเนี่ยเราเห็นตัวสภาวะก่อนนะต่อไปแล้วก็เห็นมันทํางานไปมันมีมันไปมันมาต่อไปเรารู้เหตุมันด้วยมันรู้เองแหละไหมนะเวลาหนูจะนอนหนูก็จะท่องคือถ้าพุโทโธหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรกับจิตใต้าสานึกหนูก็เลยแบบหนูเป็นคนขี้กลัวหนูก็จะแบบหายใจเข้าก้าวหายใจออกก้าวอางนี้ค่ะได้ได้ไมันจะได้จิตใต้สําสนึกด้วยใช่ไหมได้สมถะนะอได้ หนูมีความสุขกับการกินเหงาเบือ่อเครียดโมโ oh ห ok, กินตลอดหนูควรจะแก้ไขยังไงคะหนูก็ไปหาพวกไฟเบอร์พวกอะไรนี <c oughs> ่นะแค่เคี้ยวมันไปไม่เป็นไรอะเรานิ้ใส่ไม่ดีพวกขี้กลัวขี้เกียจโลภเห็นแก่ตัวอะไรพวกเนี้ยคะ่ะหนูเครรู้ทันเน้วหนูเก่งนะหนูกล้าหานหนูพ่อชมนะหนูเก่งชะละหนูกล้าบอกเลยว่าเรามีจุดอ่อนอะไร คนที่เห็นจุดอ่อนของตัวเองนะมีโอกาสพัฒนานะงั้นหนูรู้ลงไปเลยว่าใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อให้มันหายไปแต่เพื่อให้รู้ทันว่าสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสภาวะนั้นก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปเองนะค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆไป52พวกเราต้องระวังนะอย่างเอาคำสอนของอาจารย์คนหนึ่งไปถามอีกคนหนึ่งอนะไรเนี้ยมันวุ่นวายเดี๋ยวจะตีกัน ยังเอาคําสอนของหลวงพ่อไปถามวัดอื่นอะไรเงี้ยท่านก็ตอบแบบของท่านน่ะทุกคนก็มีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายออกไปนะการเรียนนั้นให้มันเด็ดเดียวไปความจริงหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งนะถ้าใครเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะกรรมาฐานอะไรก็ได้นะเราจะไม่เถียงกับใครเลยเราจะรู้เลยว่าแต่ละอันแต่ละมันเดินอยู่จุดไหนเหมือนเราจะขึ้นภูเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าทางขึ้นภูเขาเนี่ยรอบติด ท, ทางเลย แล้วแต่จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าประทานธรรมะเอาไว้หลากหลายมาโหฬารเยอะแยะไปหมดเลยแต่ธรรมะที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งนะั้นนิดเดียวเองนะทางใครทางมันไม่มีดีเลยกว่ากันหรอกนะให้เทรนด์มันถูกต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันะอย่าไหลลงต่ำก็แล้วกันยี่สิบสาห้าสบอค่ะอะไรนะ5้ <52. S 1> าบอ้าวห้า มนเหมือนจับไอ้น้ำในอากาศนะคะหลวงพ่ อ, อนั่นแหละเหมือนจับความฝันเหมือนจับพยับแดดขันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนภาพลวงตาไม่มีหรอกมีแต่ไม่มีใช่ไหมหนูพาวนาดีขึ้นเยอะเลยรู้ไหมพูดสิไม่ได้ยินทราบค่ ะ, ะมันมันมันโตขึ้นแบบ มันอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะแล้วมันมันเหมือนวงมันเร็วขึ้นหนูรู้สึกไหมเราไม่ใช่คนเก่าแล้วเก่งค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเลยดียี่สิบสามหลวงพ่อค<ะ>่ะเราไม่เจบอีกดแล้ว อ, อุตส่าห์ชมแล้ว <laughs> ส่วนมากหลวงพ่อจะให้กันบ้านแบบไกลๆอะคะ่ะแบบใช้ได้แบบชั่วชีวิต ตลอดไปอะไร อ, อแล้วถ้าเป็นใกล้ๆอ ะ, ะใกล้ๆเราไปดูเราเองใช่หลักที่หลวงพ่อบอกเพราะใกล้ๆนี่นะรายวันเนี้ยเยอะแยะไปหมดต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อแค่บอกเทรน์ให้ชี้เป้าหมายให้ดูแล้วเราไปของเราเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเดินด้วยตัวของตัวเองเป็นเส้นทางของคนกล้านะไม่ใช่พึ่งหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อบอกทางให้พระพุทธเจ้าก็บอกทางให้เราเดิน หลวงพ่อถูกครูบาอาจารย์ฝึกมาด้วยวิธีนี้นะท่านชี้เป้าเลยทำอย่างนี้นะอย่างเริ่มต้นหลวงปูดูลบอกไปดูจิตเราก็มีหน้าที่ดูจิตแต่ท่านไม่บอกรายละเอียดเลยนะครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะทาตั้งกี่สิบปีกว่าจะทาได้ท่านชี้เป้าให้นะหนูเป็นลูกที่ดีหรอก ชี้เป้าให้แล้วหนูก็เดินมาจนได้แล้วดีเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนจิตไปติดพบอันนึ่งอยู่นึกออกอยังรู้สึกมันติดเยอะเลยอะออค่ะทุกครั้งที่ขยับมันก็นะให้รู้ทันนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วยี่สิบสามการการน้ำมันสการเจ้าคะ่ะส่งการบ้านในรอบสามเดือนเจ้าคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าเ อ, อใจกระจายไม่ตั้งมั่นเจ้าคะ่ะ โยมก็ไปทําในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกไหมมันตั้งขึ้นยังรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอย่างงี้พอใช่ได้เอาใจแบบนี้ใช่ใจอย่างนี้แล้วดูกลายมันทํางานดูใจโยมรู้สึกไหมพอใจเราเป็นอย่างนี้นะเหมือนโลกมันห่างออกไปล้วเจ้าค่ะรู้สึกไหมร่างกายกับใจคนละอันกันเจ้าค่ะนั่นแหละขันมันเริ่มแยกตัวได้ละวค่ะนี้เราใจมันถูกต้องซะนะขันมันจะแยกออกแล้วขันจะสอนธรรมะเราเจ้าค่ะก็ ดูด้วยใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่เจ้าค่ะแล้วฝึกในรูปแบบมากไปนี้ไม่ทราบโยมปเป่งอะไรแล้วเปล่าเจ้าค่ะเพ่งเราก็รู้ละเรารู้จักเพ่งละสภาวะอย่างเนี้ดีดีแล้วนะใช่ไหมเจ้าค<า>่ะถ้าเพ่งป่า น, นี้ก็แรงไป<า>แต่ต้องซ้อมอต้องทําในรูปแบบนะไม่งั้นตัวนี้ก็เสื่อมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณโมทนาด้วยร้อสามก้ราบน้ำมศการหลวงพ่อค่ะ จากที่หนูได้กลาบเรียนหลวงพ่อเรื่องการทำสมาธิเรื่อยมานะคะเพราะว่าพอดีหนูเล็งเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะกับหนูแล้วก็ทําให้เห็นสภาวะได้ชัดเจนทุกช็อตแล้วก็ตอนนี้หนูเห็นว่าสภาวะที่ว่างก็เกิดดับแล้วก็ตัวรู้ก็เกิดดับโอเงเสร็จแล้ว หนูไม่ทราบว่าตัวที่หนูรู้เนี่ยหนูเห็นว่าเป็นเป็นจิตนะคะที่มาบอกมาสอนว่าสภาวะนี้คืออะไรสังขารหรือว่าสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นปัญญาหรือว่าเป็นการคิดคะหลวงพ่อจิตมันสอนได้นะจิตมันเป็นธาตุรู้บางทีมันก็สอนธรรมะเราได้ค่ะแต่เราบางทีมันก็หลอกเรานะบางทีกิเลสมารมาหลอกเราแทนสอนอย่างโน้นนี้อย่ายเชื่อมันเราต้องดูสิ่งที่เขาสอนเนะี่ยสมเหตุสมผลไหมตรงกับคําสอนขพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ ตรงค่ะเพราะเพราะว่าหนูเห็นที่สอนนี่ก็คือคําพูดของหลวงพ่อที่เตือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยังงี้ถือเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เ, เวลาหนูหนูหลับตาตอนกลางวันอย่างเงี้ยกระพริบตาแล้วก็จะมีจุดเหมือนกับที่เราอยู่ในสมาธิหรือมีแสงแวบมบอย่างเงี้ยมีนัยยะอะไรไหมคะไม่มีนัยยะนะไม่ต้องสนใจมีก็แค่รู้ไปค่ะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้สภาวะนั้นแล้วก็รู้ทันใจตนเอง เช่นแวบๆขึ้นมาเกิดสงสัยว่าอะไรนะดีหรือไม่ดีนะจะดูยังไงดีรู้ว่าสงสัยเลยค่ะรู้เข้ามาที่จิตนี่ค่ะทีนี้ในการเจริญสติระหว่างวันเนี่ยของหนูถือว่าใช้ได้หรือยังคะหลวงพ่อใช้ได้นะแต่ว่าอย่าให้มันเครียดนะค่ะให้มันให้มันทําด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบาค่ะนะแล้วขออนุญาตอขอการบ้านหลวงพ่อที่จะทําให้หนูไม่เป็นวัวควายออกนอกฝูงมาค่ะ เดี๋ยวก็ดีอยู่แล้วล่ ะ, ะแล้วก็อย่ารีบร้อนอย่ามกมุ่นในการภาวนาภาวนาไปสบายๆไม่รีบร้อนน ะ, ะทำเตุนะ่ะผลกวได้มาเองแหละค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะค่ะกรั บ, บค่ะพระคุณค่ะใจมันยังมุ่งผลแรงไปค่ะสี่สิบเมี่บนี่อยู่ข้างหน้านะ่ยสี่สิบบางครั้ง นอนน อ, นอยู่ครับเห็นร่างกายมันนอนอยู่แล้วมันจะมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแบบลอยลอยบางทีก็ไร้ความหมายอืแล้วก็ดับไปแล้ก็เห็นร่างกายนี่งนั่นแหละเราเห็นขันมันทํางานนะ <c oughs> เห็นแม่มันทําได้เองนนั้ดูอย่างนั้นเรื่อยๆ <c oughs> แต่เวลาดูอย่าให้ใจถลําไปดูนะดูสบายๆใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูสบายๆ <c oughs> แล้วมันก็เริ่มแยก แยกออกว่าอันไหนเป็นความโกรธเป็นอะไรเงี้ยเ<อ>มื่อก่อนมันจะคลุมเครือแยกไม่ออกเอนะแล้วก็ไ ม, ไม่ได้คิดจะแยกแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับมันเข้าใจของมันเองเลยที่ไปไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนั่นแหละนะมันเขาเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าใจว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ชื่ออันนี้อันนี้ไม่สําคัญมาก ค, ความเข้าใจที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตัว น, นี้สําคัญกว่าใช่ครับคือคือเห็น เห็นแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับใช่ใช่ันนั้นแหละคือการรู้สภาวะเราเห็นเลยความโกรธก็ไม่เหมือนกับความโลภใช่มครับแต่ละอันแต่ละอนไม่เหมือนกันหรอกแต่ทุกอันเกิดแล้ดับการที่เราเห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งลักษณะเฉพาะนี่นะภาษาบาลีเขาเรียกวิเศษลักษณะวิเศษลักษณะคือลักษณะของความโกรธก็เป็นแบบหนึ่งลักษณะความโลภก็เป็นแบบหนึ่ง แต่ทุกๆอันนั้นน่ะมีลักษณะร่วมเรียกว่าสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์นั่นเองเราเรียนเพื่อเข้ามาถึงเข้ามาเห็นไตรลักษณ์นะนั่นเราไม่ได้ดูตัวนี้เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้มัวแต่วิจัยอยู่ยางเงี้ยไม่จำเป็ น, นคแค่เห็นภาพรวมเลยว่าทั้งหมดเกิดแล้วดับแล้วมีอะไรต้องแก้ไขที่ทำอยู่ถูกแล้วละตอนนี้ตื่นเต้นมากไปไปประคองนะรัเบอร์้า คือช่วงหลังๆเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะช่วงสองเดือนมานี้นะกระแสธรรมะเนี่ยเข้าสู่ใจพวกเรามหาศาลเลยการภาวนาของพวกเราจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนะเปลี่ยนไปเยอะเลยธาตุขันมันเริ่มกระจายตัวออกแต่ละคนใจถอดถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เยอะแยะไปหมดเนะนะถึงบอกว่าเออศาสนาคงจะไปไหวแล้วเนาะ <c oughs> เรารู้วิธีแล้ว รู้วิธีละธาตุขันแต่ละอันกระจายออกไปคือเห็นสภาวะแต่ละอันแต่ละอันแล้วสภาวะทั้งหมดนั่นนะแสดงไตรลักษณ์ในสุดจิตก็รู้สรุปในภาพรวมเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเลยนะอ่ะต่อไป ก, ก, กาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นเนา ะ, นะรู้สภาวะคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นเพราะว่า<ม>เวลาที่ที่รู้สภาวะจะคิดว่าตัวเองเป็นคนอื่น แล้วก็มองลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วเลยไม่ทราบว่าควรจะสร้างอุบายยังไงที่จะให้ตัวเองรู้ว่าให้จิตมันเข้ามาอยู่ที่ฐานได้ค่ะไม่ไม่ไมไม่เป็นไรจิตไปอยู่ข้างน้นก็รู้ว่าอยู่ข้างน้นนะไม่ประคองเอาไว้ข้างบนก็พอแล้วลนะ่ะแล้วสักวันเขาจะเข้ามาเองเหรอคะเข้ามาเองแล้วหลวงพ่อคะ อ, อย่าไปดึงมันนะแล้วอย่าไปจ้องใส่มันดนะ้วยแค่รู้ว่ามันมีอยู่นะเจ้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องมานะเจ้าค่ะ รู้สึกว่าพอมีมานะแล้วมันก่อให้เกิดกิเลสหลายตัวเช่นเรื่องโทสะโมหะอืแล้วต้องรู้สึกว่าจะอยากจะแก้ตรงนี้อะคะ่ะไม่ทราบจะแก้ยังไงคะเดี๋ยวอีกหน่อยหูเป็นพระรหันต์มันก็หายเองอะพรอมานะเนี่ยต้องพระรหันต์ถึงจะละได้หลวงพ่อะคะเคยฟังซีดีหลวงพ่อที่พูดถึงพระองค์หนึ่งนะคะที่เรื่องเรื่องอยากฉันถั่วดําจําได้ไหมคะอืมจําได้เพราะว่ายมจะเป็นอย่างนั้นประจําเลยค่ะคือถ้าไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราอยากได้จะ อยากได้จริงๆอะค่ะเออนะใครรู้เอานะเนี่ยเป็นคารวาสเสียเปรียบพระตรงเนี้ยพระอยากเราก็ไม่ได้มีแต่ทุกข์นะของเราอยากมากๆเราก็ไปหากินได้เจ้าค่ะดิคอนี้อยากเป็นนักเรียนเกรดเอต้องทอํายังไงบ้างคะก็ขยันเรียนสิดูบ่อยๆทําการบ้านเยอะๆเจ้าค่ะนะร้อยหนึ่ร้เกรดเนี่ยนะเราไม่แข่งกับคนอื่นนะแข่งกับกิเลสตัวเอง มัเการหลวงพ่อค่ะว่ามาส่งกันบ้านในรอบครึ่งปีค่ะอืรอบที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันกำลังจะเดินปัญญาหลังนั้นก็ไปปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็คอยดูมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเ อ, อเห็นว่าบางทีเหมือนมองมือมันมือไม่ใช่เราค่ะขาก็เหมือนขามไม่ใช่เราแต่มันยังไม่เห็นทั้งตัวว่าไม่ใช่ใชเราไม่เป็นไรนะเห็นเท่าที่เห็นแล้วก็บางทีเวลาคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะมันจะเห็นว่า เออเหมือนกับแบบว่ามันไม่ใช่เราอะค่ะที่พูดมันแต่ปากมันขยับแล้วเหมือนเราออกมาหาออกมาแล้วก็ลำคาญด้วยก็อยากจะขอการบ้านต่อค่ะหลวงพ่อก็ทำถูกแล้วละดูบ่อยๆนะดูไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในใจเราเองยังไม่ค่อยเห็นรู้สึกเปล่าชีวิตมันสบายขึ้นมันเบาขึ้นรู้สึกบ้างไหมแบบนี่ยยังไม่ค่อยเอองั้นไปทําอีกให้มากๆเดี๋ยวก็เห็นเองเลยค่ะ ที่ปฏิบัติอยู่โอเคแล้วโอเคค่ะ<ข>อย่างใจที่เคยมืด น, นะมันก็สว่างขึ้นใจเคยหนักมันก็เบาขึ้นอะรเงี้ยค่อยฝึกไปเคยยึดในความคิดความเห็นตัวเองรุนแรงแนละ้วก็ลดลงดูออกไหมดูออกค่ ะ, อะเออเจริญขึ้นแล้วล่ะร้อยห้าสิบห้าขอบคุณค่ะนี่ก็เดาเอาเอาร้อยห้าสิบห้าดีใจรู้ว่าดีใจ นามสการพระอาจารย์คร pues ับอือแล้วไงดีล่ะอ่เป็นคนเป็นคนปกติคิดใช่เป็นคนปกติถูกคือบางทีรู้สภาวะไม่ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นการรู้หรือว่าเป็นคิดว่ารู้อะครับอืมไม่ไม่กังวลนะหัดรู้ไปเรื่อย อย่างพอสงสัยว้มันรู้จริงหรือว่ามันคิดเอานะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะหัดรู้สภาวะบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละที่ฝึกอยู่ก็ถูกแล้วละแล้วก็ เ, เ, เวลาเวลาตามดูจิตอย่างนี้ครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจบางทีที่แบบเหมือน เหมือนเรารู้แต่เราจะรู้ดีเลยมาสักระยะถูกดีเล ย, ยาาาไม่น่าใจนะว่ามันเป็นสัญญาหรือว่าคือถ้าถ้าอย่างโกรธขึ้นมาแล้วโกรธไปแป๊บหนึ่งแล้วรู้นะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไอเนี้ยสัญญาแล้วนะมันตามหลังการดูความรู้สึกของตัวเองนะมันจะรู้ตามหลังอันนั้นถูกต้องแล้วแต่ต้องตามหลังติดติดนะไม่ใช่ห่างเป็นชั่วโมงนั้นไม่ได้ล้วอย่างนั้นสัญญาแล้ว ใจนีไปคิดทรา บ, บ้างไหมเวลาใจนี้ไปคิดขอบคุณครับเบอร์เจ็ดสิบเก้ากาบธรรมสการค่ะจะส่งการบ้านในรอบแปดเดือนนะคะอืก็ช่วงนี้ก็คือใช้ความคิดเยอะค่ะคิดเรื่องการบ้านเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าไปเห็นเราไปจมอยู่กับความคิดนะคะแล้วมันก็แยกออกมาดีดีแล้วก็เห็นพวกโทรศักับมารณ์อัตตายเยอะมากนะคะโอ้ดี ก็เลยไม่รู้ว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้คือมั น, ถ, มนถูกทางหคะถูกสิเราเริ่มเห็นธาตุขันแยกตัวออก็แล้วค่ะแล้วก็ช่วงก่อนนอนนี่คือจะทำในรูปแบบอะคะอ่ะเพิ่งกลับมานั่งสมาธิได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันมันเป็นสมาถะแล้วหรือว่ามันเป็นแบบว่าเป็นใช้ได้นะที่ทำอยู่ค่ะทำไปแล้วมันมีแรงค่ ะ, ะและมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะ สม่มเสมอนะคำว่าสม่าเสมอสำคัญมากนะอย่าลืมคบนี้นะเอาเบอร์สิบสองอยู่ข้างหลังนะข้างหลังนี่คนนี้เข้มแข็งมากนมัส ก, การเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายเดือนแล้วค่ะก็รายงานผลการปฏิบัติคือช่วงนี้ก็มีความสุข อยู่กับการเห็นทุกข์ค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นการเริ่มปล่อยความคิดแบบพอปล่อยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสบายที่ความรู้สึกอืดูไปนะทุกอย่างก็ไม่เที่ยงน ะ, ค, ะความทุกข์เกิดจากใจเราไปหยิบไป่วยมาพอปล่อยได้มันก็โล่งขึ้นมานะถ้าโล่งขึ้นมาแล้วเรายินดีให้รู้ทัน ต้องรู้ทันตัวนี้นะตัวที่ยินดีที่มันโล่งๆนะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นติดติดสุขคือเข้าไปรู้ทันความยินดีใช่รู้ลงไปไม่งั้นพอมันมีความสุขขึ้นมาแล้วมันพอใจแล้วไปติดอยู่ตัวนั้นเลยให้รู้ทันว่ามันยินดีพอใจนะะมันก็จะไม่ติดหรอกร้อยสิบแปดพระอาจารย์ขอญาติขอโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ พอกแม่แถวหลังสุดแถวนั่งสองคนครับอืมเอาสิมาถือไม้มาให้พ่อเลยครับผมถือมาให้พ่อให้แม่มาแล้วยืนมาเป็นโคศกด้วยครับผมแกาวนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เหรอคุณแม่ <c oughs> ยังสาวอยู่เลย <c oughs> ขอบพระคุณ <c oughs> ค่ะนี่มาตามลูกค่ะลูกมาก่อนแล้วก็ลูกชวนมาค่ะได้ฟังซีดีไหมฟังค่ะเห็นกิเลสบ้างไหม ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะอย่างดีคแล้วไงล่ะแล้วก็พอมาก็พยายามจะฟังฟังก็เหมือนว่าเหมือนก็นอนไม่พอแล้วยังไงมาแล้วมันไม่ค่อยจะไม่เป็นไรมาวัดบางทีตื่นแต่เช้าผิดระบบของเรานะะก็เบลอๆไปคไปฟังซีเดียวก็ได้จุดสําคัญนะก็คือคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆค อย่างลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้ค่ะนะอย่างนี้ดีเลยพ่อแม่คนนี้ซื่อสัตย์จริงๆนะยังเคยรู้ทันใจตัวเองแหละใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อเหรอคุณพ่ออย่าบังคับพ่อนะถ้าพ่อไม่เอาก็ไม่เอานะบังคับพ่อแม่บาปเอาตัวเองส่งมาตัวลูกแหละครับผมก็ผมพบว่าเอ มันรู้สึกคล้ายๆกับนิพิทาครับอาจารย์แต่ว่านิดๆเราก็ไม่ได้ยินครับผมรู้สึกคล้ายๆกับเห็นเห็นร่างกายจิตใจตัวเองเหมือนกับมันเคลื่อนไหวมันเกิดดับของมันเองนะครับโอ้ถูกแต่มันเริ่มไม่กลัวแล้วครับใช่ดีแต่ว่ากลัวอะไรความจริงมันเป็นอย่างนั้นครับแต่พอไม่กลัวแป๊บหนึ่งก็จะเผยไปคิดต่อว่ามันมันก็เลยแบบว่าติดอยู่ที่ว่ามันคงยังลงไปคิดต่ออยู่ะครับขอบคุณทําในรูปแบบให้สม่ําเสมอนะ ถึงเวลาทำความสงบบ้างทำความตั้งมั่นนะแล้วก็ดูมันทำงานใจไหลไปแล้วรู้ทันฝึก ม, มากๆจะไปได้เร็วขึ้นครับผมขอบคุณครับอาจารย์รนะขอเชิญกลับบ้าน